36. กเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งวงเล็บเปิด 20. กันยายน 2550. รในวงเล็บ 1. จุดจุดนาที 11. วงเล็บปิดวิธีทำจิตให้เกิดสัมมาสมาธิมี2วิธีวิธีหนึ่งคือวิธีที่หลวงพ่อบอกให้หัดรู้จิตรู้ใจไปเรื่อยเป็นวิธีของพวกวิปัสสนาญาณิกวงเล็บเปิด ผู้มีวิปัสนาเป็นญาณคือผู้เจริญวิปัสนาโดยยังไม่ได้ชานสมาบัติมาก่อนวงเล็บปิดของคนเล่นฌานไม่ได้ส่วนของคนเล่นฌานจะทําฌานขึ้นมาจนถึงฌานที่สองพอได้ฌานที่สองตัวผู้รู้ตัวธาตุรู้จะเด่นขึ้นมาเรียกว่าเกิดเอโกทิภาวะในพระสูตรพูดถึงเอโกทิภาวะนะแต่ในอภิธรรมไม่พูดถึงน่าอาัศจรรย์นนะ พระสูตรนี่สอนเอาไว้ปฏิบัติจริงๆส่วนพระอภิธรรมสอนเอาไว้ตรวจสอบการปฏิบัติอีกทีว่าถูกหรือไม่ฉะนั้นเวลาเรียนพระพุทธเจ้าเทศให้คนฟังเทศพระสูตรเอโกทิภาวะจะพูดอยู่ในพระสูตรในอภิธรรมไม่พูดในอภิธรรมจะพูดว่าเอโกทิภาวะก็คือสัมมาสมาธิก็ถูกเหมือนกันแต่ในพระสูตรใช้เอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตมันจะเป็นหนึ่งขึ้นมา จิตมันเป็นหนึ่งขึ้นมาก็เพราะมันมีสัมมาสามาธิก็ถูกทั้งพระอภิธรรมถูกทั้งพระสูตรแต่คนละสำนวนทำไมต้องชานที่สองชานที่หนึ่งไม่เกิดธาตุรู้ตัวผู้รู้ไม่เด่นเพราะในชานที่หนึ่งในพระสูตรเรียกชานที่หนึ่งในอภิธรรมเรียกหนึ่งและสองในพระอภิธรรมแยกชานที่หนึ่งออกเป็นหนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นชานที่สองของพระสูตรจะเป็นชานที่สามของพระอภิธรรมรูปฌานของพระสูตรจึงมีสี่ ของพระอภิธรรมที่ห้าเรียนไม่เหมือนกันเขาแยกออกไปให้ละเอียดในปฐมฌานของพระสูตรยังมีวิตกมีวิจารณ์คือจิตยังคิดยังตรึกยังตรองอยู่เช่นยังบริกรรมได้ยังคิดได้ยังตรึกตรองได้จิตที่ยังคิดอยู่นี่ไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ยังเป็นผู้คิดอยู่เพราะฉะนั้นพอถึงฌานที่สองเพิกความคิดออกไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติขึ้นมา จิตมีสติรู้ปิตินั้นด้วยความเป็นกลางมีปิติแล้วก็มีเอกคตานี่ถ้าเรียนอย่างตำลาจะงงแล้วเรียนอย่างอภิธรรมก็จะเริ่มงงมันมีปิติยังไงนะมีเอกคตาด้วยก็จะไปคิดว่าเอกัตาก็คือจิตไปจดจ่อรู้อารมณ์อันเดียวก็เลยเอาจิตไปจ่ออยู่ที่ปิติบ้างไปจ่ออยู่ที่ลมหายใจบ้างกลายเป็นจิตเพ่งไปเวลาเรียนถ้าเราไม่รู้จักสภาวะจริงๆก็มีปัญหาเหมือนกัน นี่พอจิตมันยังตรึกตรองอยู่พอเรารู้ทันลงไปเรื่อยความตรึกความตรองหายไปมีปิติขึ้นมามันจะเห็นเลยว่าปิติเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเด่นขึ้นมาเรียกว่ามีเอโกที่ภาวะมีสัมมาสัมมาธิมันเด่นทีนี้ถ้าเดินชาญนลึกๆขึ้นไปเอโกที่ภาวะนี้ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆไม่หายไปไหนแต่ถ้าได้แค่ชั้นที่สองแล้วถอยจิตออกมาสู่โลกภายนอก เอโกที่ภาวะนี่จะทรงอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตที่เดินชาญมานี่จะมีทั้งตัวรู้ตั้งมั่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นแหละถึงเวลาก็ทำสมาธิเข้าไปถอยออกมาตัวรู้ก็ยังตั้งมั่นฉะนั้นจะมีตัวรู้เป็นคนรู้กายรู้ใจรู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างตัวรู้นี่จะคงที่จะรู้สึกว่าตัวรู้เที่ยงจะรู้นิ่งๆอยู่รู้ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันพอจะเห็นทุกอย่างชั่วคราวหมดเลย กระทั่งตัวรู้ก็ชั่วคราวตัวรู้เกิดแล้วก็เป็นตัวหลงตัวหลงเกิดขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวก็มีตัวรู้สลับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็แจ้งไม่มีตัวตนที่แท้จริงได้โสดาบันเพราะฉะนั้นเดินแล้วก็มาบรรจบที่เดียวกันนี่แหละจะเดินมาทางสมถยานิกหรือวิปัสสนาญาณิกสุดท้ายก็มาลงที่เดียวกันมักผลก็อันเดียวกันแต่ถ้าคนที่เดินมาทางวิปัสสนาญาณิก เวลาเกิดมรรคผลจะได้ปฐมฌานพวกที่เดินทางสมถยานิกพวกนี้จะได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8